b า o ส2สามทที่สถานีรถไฟตซ <St acia. S 2> รถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะร์คมไอส์ซสอบล รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะคัดอินนาคมไอส์เวลเซียนส์อุสปรถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะคัดอินนาคมไอส์เวลเ n ียนส์อุสลอรถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะ c i k o ส์จะน่าจะมาสวิลเซียนส์อุสวาชชากุ๊กรถไฟไปสต็อกโฮมออกกี่โมงคะซิ k ูส์ i ะน่าจะมา s วิลเซียนส์อุสสต็อกโฮล์มรถไฟไปบูดาเปสออกกี่โมงคะซ i กูส์จะน่าจะมาสวิลเซีสอบูต ดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะ s v a l o s b i l e t i u z Madrid. ดิฉันต้องการตั๋วไปปรางคหนึ่งที่ค่ะ s v a l o s b i l e t i u Z p r a g u ดิฉันต้องการตั๋วไปเบิร์น์หนึ่งที่ค่ะ s v a l o s b i l e t i u z b e r n i รถไฟถึงเวียนนาเมื่อไรคะซิกูสวิลเซนสเป์นาควีเน่รถไฟถึงมอสโกเมื่อไรคะซิกูสวิลเซนสเปียรนาคมาสกวารถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไรคะซิกูสวิลเซนสเปนาคอัมสเตรอร์ดัมดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะ Vai man อริอาเบอร์เซียสรถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะ No k, k u ร์เซเล a t ติเอตวิลเซนส์รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะไววิลเซียนาเอร์กูยัมวาก s d ส์ดิฉันต้องการตัวไปบรัสเซลหนึ่งเที่ยวค่ะ Es v ์ l o s biļeti uz b r i s บริสเซลิกติเกย์ทูร์ปดิฉันต้องการตั๋วกลับโคเปนเฮเกนค่ะ e อซ์วาลุสบิลเลติอ g ต ļ ักกย์บรูที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหร่คะกมักซวิเตกุยนา